ตัวอารธามาร์คณารธผลเป็นต้นอันนั้นคือตัวอารธมารคเนี่ยตัวจิตนี่นะเป็นมานายะตนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ประกอบเป็นธรรมายตนะเทว่าโดยธาตุตัวไปแทงตลอดนั้นคือมโนมโนยานาธาตุแล้วก็ธรรมธาตุใช่ไหมเราก็จะเห็นโอ้โหมโนธาตุและธรรมธาตุนี่แท้ที่จริงกับเกี่ยวกับในเรื่องของขันายตนะธาตุ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 ใช่ไหมเข้าใจยั่ไหมขอใหเข้าใจทฤษฎีคบสอนใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นบุญอย่างหลาอหลายแล้วอย่าลืมนะว่าที่แม่ของพระสารีบุตรไปจับเท้าของพระสารบุตรพ่อใช่ไหมลูกไม่เห็นคุณของพ่อแม่ไม่เห็นคุณของพ่อ